เส ล, ลิญพรญาติโยมทุกท่านเช้านี้เราก็มาพร้อมกันเพื่อที่จะสังธรรมแต่การฟ่งธรรมทุกครั้งคงจะหนีไม่พ้นความว่าง ในแง่มุมต่างๆเราจะต้องศึกษาเรื่องความว่างให้เข้าใจถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องความว่างก็เหมือนกับไปงมเข็มในหมหาสมุทรมันกว้างมากตามที่ริงทุกตารางนิ้ว มันมีความว่างดยู่ตังนั้นในเรื่องของความว่างตมตามะเองไม่ใช่เพิ่งมาสนใจ สนใจมานานแล้วปีไหนก็ไม่ทราบบอกไม่ถูกตอนมีในปีหนึ่งอาจารย์ประเทือมเอมเจริญ้ามาที่ทะเลน้อยแล้วก็มาพักที่บนนี้ก็นั่งคุยกัน อาตมาบอกว่าอยากมีภาพที่ซ่อนความว่างเอาไว้ในภาพอาจารย์ประเทืองก็เลยคิดได้แล้วก็ไปขอช่วยให้เพื่อนร่วมงานด้วยกันเขียนภาพยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบสองภาพ และก็บอกว่าแต่ละภาพคอบรรจุความว่างเอาไว้เขาก็ทำอย่างนั้นจริงๆใจว่าที่ได้ดีมีประมาณจักสามภาพภาพเหล่านั้นตั้งใจว่าจะติดท้องใต้ดิน เพื่อที่จะบรรยายอาญาติโยมฟังแต่แล้วมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะมันเกิดความชื้นขึ้นมาภา พ, ออพจะเสียหมดก็เทีย่ยวผาไเล่ร้อนอยู่ไปไปมาๆก็พอซ่อมกุฏิใหม่ก็ไปไหว้ที่กุฏิที่อาตมาอาศัยอยู่ เร่ก็มีแต่ภาพดูแต่ภาพความว่างที่นี่ในเรื่องของความว่างนี้มันมีอยู่ในทุกอย่างมียายกับตาสองคนอาศัยอยู่ในกระท่อมรังคามุงจากในหลังคาที่มุงจากก็จะลูกโผล่โผลง บางส่วนที่นี้ตาก็จะส่องยายบอกว่าห้ามห้ามไม่ให้ส่อง้าถามเลยว่าทำไหมบอกว่าไว้ดูด ว, ว, ว, ว, วงจันทร์ก็ตอนที่ดวงจันทร์ขึ้นวันเพ็ญจะเห็นดวงจันทร์ดวงจันทร์ที่สอดมีแสงส่องเข้ามา แล้วก็เห็นดวงจันทร์กาเห็นดวงจันทร์คือการน้อนนอมเข้ามาหาตัวน้อมเข้ามาหาจิตพอจิตเห็นดวงจันทร์คือความว่างในภายนอกเแล้วก็ใจเห็นความว่างในภายใน จะดันอย่าดันจะได้เห็นความว่างพอเห็นความว่างคือดวงจันทร์เป็นความว่างแล้วทําทให้ใ จ, จิตใจแจ่มใสมันเปรียบเทียบกันได้จิตใจในภายในก็จแจ่มใสจะไม่เกิดความแจ่มใสขึ้นมา ในนี้ไ้เราหาพบความว่างที่เต็มรูปแบบความว่างมันจะซ่อนซ่อนตัวอยู่ในทุกอย่างแต่ก็สำคัญให้เรามีพื้นฐานเคยเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาให้แน่แล้วก็จะเห็นสุญญาตาถ้าไม่เห็นอนิจจัง ไม่เห็นทุกขังไม่เห็นอนัตตาอย่างหนักแน่นแล้วนันก็จะไม่เห็นความว่างความว่างมันอยู่ในทุกอย่างนี่ถ้าเห็นความว่างภายนอกก็จะเห็นความว่างภายในยเห็นหมดเห็นทั้งจั ก, กรวาลเลยเห็นหมดทุกอย่างทุกอย่างมันว่างจากตัวตนหมด นั่นคืออายุที่กินเวลาโดยนับไม่ท้วนมันมีเวลาสำหรับคนที่ว่างแล้วว่างนิดหน่อยก็ทำให้ว่างมากมากข้ว่างมากๆ ก, ก็ทำให้ว่างถาวรไม่ว่างถาวรขึ้นจะมีความว่างที่ถาวรก็คือมาตฐานให้มันมาตฐาน ตอนเด็กๆบ้านอยู่กลางตุ้ ง, งนาเรือหลังคาแต่ละหลังแต่ละหลังเรือนแต่ละหลังก็อยู่ไกลกันไม่จำกวาห้าร้อยเมตรมันอยู่ห่างๆกันทีนี้ในตุ้งนาเดืดูที่ก็ไม่ทำนามันก็ดูโล่งและก็สวยไปอีกแบบหนึ่ง ตอนเย็นเย็นเราไล่วลัวให้กินหญ้าและตอนใกล้ค่ำก็ไล่วัวก้าวข้อตอนนั้นก็เล่นไปปรางแล้วก็มองสายตามาไกลๆทางทิศตะวันตกก็ทางทิศตะวันออกมันไม่มีอะไรทิศตะวันออกมันเป็นมหาสมุทร แล้วดูไกลกันประมาณสี่ห้ากิโลยนนี่ตามองมาทางทิศตะวันตกมันมีจุดมุ่งหมายมีที่พักของสายตาก็คือภูเขาลูกนี้ภูเขาอกทลุภูเขาใจสนภูเขาหัวแตกมองเห็นภูเขาสีคราม เนือยอะเต็มไปหมดตอนที่ใกล้ดวงอาทิตย์ตกมันใจมันก็ว่างแต่เราไม่รู้ว่ามันอะไรเนี่ยมันก็ว่างตามปกติมันตามปกติอย่างนั้นเดียก ว, ว่าว่างตามธรรมชาติเมื่อมีธรรมชาติที่มันว่างว่างเองโดยธรรมชาติที่นี่เราต้องทำธรรมชาตินั้น ให้พัฒนาพัฒนาให้มากขึ้ น, นาามากขึ้นพัฒนาให้มากขึ้นให้เพิ่มขึ้นเพราะนั้นเรามาศึกษาพระพุทธศาสนาหัวใจของพระพุทธศาสนาก็คือสุญญาตาก็ต้องศึกษาธรรมชาติต้องศึกษาธรรมชาติที่ว่างว่างจากตัวตน ในทุกอย่างเราจะเห็นมามันว่างจากตัวตนมิลาเลปากเป็นอาจารย์ใหญ่เป็นนักปราชถนในประเทศทิเบตในสมัยนูน้นท่านก็เข้าไปในป่าเพราะตนความกดดันไม่ได้ความกดดันทางบ้านเพราะในหมู่บ้านของท่านท่านเป็น บ้านที่หลังใหญ่ที่สุดในหมู่บ้านนั้นแม้มีญาติพี่น้องอิจฉาริ์สยาแล้วก็มาทำให้พ่อตายมั่งทำให้เสียซักมั่งอะไรมั่งท่านก็โดยวิ่งออกข้างนอกโดยจะแดงกดดันวนึ่งไปอยู่ข้างนอกไปหาอาจารย์ียกว่าอาจารย์ครั่ง ไปหาอาจารย์กลังก็ไปเรียนวิชาคือสดยดำไปเรียนสดยดำพอไปเรียนสดยดำทีหลังก็มีฤทธิ์ขึ้นมามากก็กลับมาบ้านบ้านก็อยู่ใกล้ภูเขาเหมือนกันก็เลยมามาตอบมต่ตอบพวกนั้นโดยการทำฝน ให้ตกทํำฝนให้ตกทําให้เกิดพายุขึ้นมาด้วยอํานาจแห่งเสด็จดำก็ทําให้คนตายไปหลายคนทีนี้ท่านก็คิดได้ทีหลังก็ไปหาอาจารย์อื่นไปหาอาจารย์ด้านวิปัสสนาทีนี้มาอาจารย์วิปัสสนาท่านก็ทําวิปัสสนาจนแร่งกล้า เขาก็เลยกลับมาบ้านอีกครั้งหนี่ยท่านกลับมาบ้านก็มาพักอยู่ที่บนภูเขาก่อนไม่ก้าไปในบ้านง่ายๆเพราะมันมีศัตรูเยอะอย่างพอค่ำท่านก็โดดไปที่บ้านปรากฏว่าบ้านเป็นบ้านร้างเป็นบ้านร้าง จ้าพ่อก็ตายไปนานแล้วแล้วก็จะมีเมื่อก่อนเขาจะมีจามารีเป็นขงผงฝู้วคนทิเบตก็อาศัยนมของจามารีแล้วอาศัยเนื้อของจามารีทังนั้นทีนี้แ ก, กก็ไปบ้านข้าวไปในบ้านตอนค่ำรังคาก็รั่วหมดเหลือแต่กรอนเรือน เรือนก็ใหญ่โตแล้วข้าวไปห้องนั้นห้องนี้ห้องโน้นไปตรวจดูตรวจดูไปในห้องครัวห้องครัวก็ไปพบกระดูกแม่นอนเสียชีวิตอยู่ในห้องครัวท่านก็เลยคิดขึ้นมาว่าจะทำใจดีก็เอากระดูกของแม่มาทำให้ละเอียด มาปนกับดินเหนียวแล้วก็ทําเป็นเจดีเป็นสัญลักษณ์โอวาท่านก็มีน้องสาวอีกคนหนึ่งน้องจ๋าก็เที่ยวเล่รอนเล่รอนอยู่นี่คือเรียก ว, ว่าคนรวยที่ตกยากอยู่มาท่านก็ไปอยู่ในถ้าอยู่ในถ้าท่านกินอะไร ท่านกินแต่ผักกูดมีหม้อ อ, อยู่ลูกหนึ่งแค่ก็ต้มผักกูดต้มผักกูดทุกวันเพราะมันเป็นป่าผักกูดบนภูเขาท่านก็กินผักกูดจนตัวเขียวตัวออกเป็นสีเขียวในนี่เวลามีปายุอะไรขึ้นมาท่านจะขึ้นบนยอดไม้ ขึ้นบนต้นไม้แล้วก็ป้องหูถ้ามีลาเลป่านีจะป้องหูอย่างนี้บ้องหูฟังกวางเสียงความเสียงความว่าคือความเสียงแห่งความว่างทีหลังท่านก็เป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งเป็นพระอรหันต์ที่ครัางและท่านก็ไม่ได้นุ่งผ้าเพราะไม่มีผ้าที่จะนุ่ง ที่หลังน้องสาวบอกว่านุ่งผ้าเถอขอร้องท่านบอกว่าทําเป็นปลอกมาสวมก็แล้วกันน้องสาวก็เลยทําเป็นปลอกมาสวมนี่นักบุญที่ยิ่งใหญ่ต้องอยู่กับธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติอย่างนั้นนี่นี่เราก็ต้องศึกษา ต้องศึกษา ค, ความว่างข้อความว่างมันไม่ใช่มีนิดหน่อยมันมีในทุกๆอนุมีในทุกๆปรมาณูมันมีแต่ความว่างดังนั้นถ้าฝนตกลงมาหนักเราก็นั่งควงเพลงใช่ไม่ใหญ่เพลงที่ไปเปิดกับสิเครื่องเสียงแต่เพลงแห่งมเมล็ดฝน ให้มันตกลงมาบนหลังกาเหมือนกับเสียงเพลงวางให้เป็นเสียงเพลงเท่นี่ทาอย่างนั้นเรียกว่ามันเป็นความว่างทางนั้นเหมือนที่บอกให้ฟังนะว่าตอนเย็นหกโมงระตีละขังเพราะฉะนั้นตีละขังตง้องตีให้เป็นจังหวะเริ่มต้นตีนิ่ง นิงนิงนิงนิงนิงนิงนิงนิ่งนิงนิ่งนิงนิ่งนแล้วก็เริ่มต้นใหม่ร่วมต้นใหม่ก็นิ่งประมาณทักเจ็ดครั้งราหนึ่งที่นิ่งที่ชาชาประมาณทักเจ็ดครั้ง เราก็ฟังเสียงและฝังและคังไปปรางเสียงและคังมันบอกว่าว่างว่างาว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างค่อยค่ิดกันจิตกันชิดกันจิตกั น, กนทีนี้เสียงและคังมันก็ว่างไอ้คนตีเองมันก็ว่างไอ้ไม้ระคังมันก็วา่างไอ้ตัวระคังเองมันก็วา่าง ที่นี้ถามว่าเสียงระฆังนะมันหายไปไหนมันหายเข้าไปอยู่ในความว่างเพราะในจักรวาลนี้มันมีแต่ความว่างฉะนั้นไม่ใช่สักแต่ว่าดีได้สัญญาแล้วก็มาทำวัดคนฟังก็ต้องฟังให้ออกเป็นความว่างระฆังนั้นเป็นระเบิดที่ก็เอาอไปทิ้งในเวียดนามและเสียงมันดังดี เพราะระเบิดที่ก็บันทุกเครื่องบินไปทิ้งไม่หมดพอทิ้งไม่หมดก็กลับมาเครื่องบินลงไม่ได้ก็ต้องเอาระเบิดนั้นมาทิ้งในปลุกรกอยู่ตรงไหนก็ล่อลงไปเลยไปทิ้งในปลุกทิ้งในปลุอยู่หลายปีแล้วคนแถวนะคนรราชสีมาเนะี่ยก็ไปขุดมา ไปกรดกดแล้วก็ออกมาตัดเป็นสองท่อนตัดเป็นสองท่อนลูกหนึ่งตัดเป็นสองท่อนตัดเป็นสองท่อนแล้วออกมาทําเป็นละคังพระคงจะได้ยินเสียงดีมันคงจะเกิดมาจากพระอีกเรื่องนี้งก็ <c oughs> อมาทําเป็นละคังพอมาทําเป็นละคังก็ได้กาย เดี๋ยวนี้ลูกหนึ่งสามพันหน้าแต่ของปลอมเมื่อก่อนที่ซื้อ9 5้ายหสิบมีคนนึ่งชื่อมันแล้วก็ชื่อทองของคนสามีภรรยาอัตมาบอกว่าจะไปซื้อะระฆังที่หาดใหญ่ตอนที่มาตั้งใหม่ๆตอนนั้นมันก็ยังมีะระฆังไม่ปรอมอยู่เดีย๋ยวนี้มันปรอมปรอมทางนั้น เสียงมันดังดีงถ้ารังตาหมาไม่หอนนก็เสียงไม่ดี้าหมาหอน้ะก็เสียงดีเจนี่ที่สวนโมกมันมีอยู่สองลูกลูกหนึ่งอยู่ที่ศาลาหลวงธรรมเสียงดังดีเหมือนกันกับลูกนี้เสียงดังว่างว่างว่างว่างว่าง เสียงดังว่างให้อีกเสียงหนึ่งอีกลูกหนึ่งก็ติดไว้ที่เรือม่ติดไว้ที่เรือนั้นคุณหญิงเพื่อนเินทูโสผลก็ซื้อมาถวายเพราะเมื่อก่อนเวลาไปกรุงเทพคุณหญิงเพื่อนเขาช่วยเหลือดูแลท่านอาจารย์เป็นอย่างดีถ้าอาจารย์ท่านบอกว่า ระกลังลูกนี้ดังไม่ดีหมาไม่หอนเลยเพราะเนื้อทองเหลือมันไม่ดีอะไรมันไม่ดีมันมีแต่ขี้โกงทำขี้โกงฉะนั้นระกลงเดี๋ยวนี้เสียงไม่ดีทำขี้โกงขี้โกงทั้งนั้นงั้นไม่ใช่ทำง่ายๆระกลงนี้ทำยากในจีนที่ไปจีนก็ไม่เห็นไม่ทราบอยู่ในจังหวัดไหน ะระังที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่ว่าตีไม่ได้เพราะไม่ได้ยกขึ้นมันครอบอยู่กับพื้นที่อย่างนั้นนี่เรียกว่าระรังว่างระรังนั้นคือระรังว่างเสียงออกมากังวานแจะเป็นเสียงว่างว่างแล้วก็หายไปว่างแล้วก็หายไปว่างแล้วก็หายไปเนี่ยมันดังเสียงว่าง มันก็หายไปหายไปหายไปหายไปเพราะมันว่างในจั ก, กรวาล น, นี้มันไม่เต็มอะไรๆมันก็ไม่เต็มเพราะมันเต็มอยู่ด้วยความว่างแล้วความว่างมันอัดแน่นอยู่แล้วถึงจะผลิตโลกนี้ออกมาสักสิบโลกแต่โลกนี้ก็จะต้องตั้งอยู่บนความว่างถ้าไม่มีความว่างมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้สมัยก่อนก็ว่า ไต้โลกนี้มีปลาอาโนนมีอันนั้นอันนี้ก็ว่ากันไปสมัยก่อนวิทยาศาสตร์ไม่เจริญแต่สมัยนี้วิทยาศาสตร์เจริญแล้วก็ยังมองไม่ก่อยตีใจเห็นกันว่าโลกดวงดาวดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ทุกๆดวงที่เต็มจั ก, กรวาลมันตั้งอยู่บนความว่าง มันอยู่ในความว่างเรานี่เป็นเศษเสี้ยวหนึ่งของความว่างที่นี่จิตแม้ด้เป็นนมามธรรมก็เป็นความว่างเป็นความว่างทางั้งลั้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องศึกษาไต่เต้ า, ตาขึ้นไปไต่เต้ า, ตาขึ้นไปจากความมีจากความมีเป็นความว่างทุกอย่างมันมี มันมีมันตั้งอยู่มันเห็นอยู่อย่างภูเขานี่มันก็ตั้งอยู่ต้นไม้มันก็งอกขึ้นมาเะไรขึ้นมาแต่ว่าทุกอย่างล้วนแต่ว่ามันว่างจากตัวตนทำนั้นต้นไม้ถ้าเราไม่เห็นว่ามันว่างเราก็สังเกตพรจรณาอนิจจังทุกขังอนัตตาที่ใบของตน้นไม้ มันจะมียอดอ่อนมันจะมีใบเปลาตมันจะมีใบแก่มันจะมีใบหลวงมันจะมีใบร่วงแง่มันก็ลงทับถมแผ่นดินแง่มันก็กรอบแล้วก็กลายเป็นดินกลายเป็นดินแล้วต่อไปมันก็มาเป็นยอดไม้เป็นต้นไม้ต่างดิมนี่มันหมุนเวียนอยู่อย่างนั้น ก็มันว่างจากตัวตนธาตุดินก็ว่างจากตัวตนธาตุน้ำมันก็ว่างจากตัวตนธาตุไฟก็ว่างจากตัวตนธาตุลมก็ว่างจากตัวตนอากาศธาตุก็ว่างจากตัวตนวิญญาณธาตุคือธาตุรู้ก็ว่างจากตัวตนนั่นคือธาตุหัว ธ า, า, าตุสี่ก็ว่างจากตัวตนธาตุหกก็ว่างจากตัวตนธาตุสิบแปดก็ว่างจากตัวตนธาตุเจริญไหร่ก็ว่างจากตัวตนนี่นมันมีความว่างที่บรรจุอยู่ในนั้นทนั้นงนั้นเราจะต้องศึกษาเมื่อเราอยากเห็นหรือว่าปฏิบัติเรื่องนัาตไตรลัก เ่ออนิจจังทุกขังอนัตตาเราอย่าเห็นลวกลวกต้องเห็นทุกอย่างต้องเห็นทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะจักรวาลนี้มันอยู่ได้อำนาจของพระไตรลักษ์ทุกอย่างไม่เว้นอะไรทั้งนั้นอยู่ได้อำนาจของพระไตรลักษ์แม้แต่ความรู้สึกที่เราเรียกว่าจิตวิญญาณ อยู่ใต้อํานาจของพระไตรลักษ์อยู่ใต้อํานาจของไตรไตรลักษ์ทางนั้นทีนี้ถ้าเราไม่เห็นพระไตรลักษ์เราก็จะไม่เห็นว่าเพราะว่าว่างในกฏโซนอวัธรรมชาติกฏโซนไวัยโซนไว้ในพระพุธธรรทธเจ้าโซอนอวัในพระธรรมคือสิ่งทั้งปวงซโซนไว้ในพระธรรมคือสิ่งทั้งปวง โซนาวายในประสงครือในพระอริยสงฆ์นี่ก็โซนอาไว้ทางนั้นเลยเรามาปฏิบัติธรรมเหมือนกับมาเล่นโซนหากันอยู่ดังนั้นคือมาหาความว่างมาศึกษาความว่างมาปฏิบัติเรื่องความว่างแล้วก็จะได้อยู่กับความว่างความว่างคือพระธรรมพระธรรมเป็นแม่ เป็นแม่ของสรรพสิ่งพระธรรมไม่ใช่ใบลานพระธรรมไม่ใช่ตัวหนังสือพระธรรมไม่ใช่คำพูดแต่พระธรรมคือทุกสิ่งคือทุกสิ่งทุกสิ่งทีนี้พระธรรมที่เป็นแม่คือสิ่งที่ว่างจากตัวตนและก็สิ่งที่เป็นวัตถุสิ่งที่เป็นคนที่เป็นสัตว์ ที่เป็นต้นไม้ที่เป็นสาสานที่เป็นปรังงานก็คลอดออกมาจากแม่แม่คือความว่างคือพระธรรมคือความว่างฉะนั้นเรากราบพระพุทธเจา้ากราบครั้งที่หนึ่งกราบพระพุทธเจา้าคือความว่างที่บรรจุอยู่ในจิตของพรากราบครั้งที่สองพระธรรม คือความว่างที่เป็นแม่กราบครั้งที่สามกราบพระอริยสงฆ์พระในเพราะว่าในพระอริยสงฆ์ที่เป็นพระอระหรันในจิตของท่านก็อัดแน่นด้วยความว่างเราไปประเทศจีนกันหลายคนแล้วเราก็จะเห็นว่าเซียนเซียนในประเทศจีนเซียนก็คือพระอระหรัน ในสมัยนั้นก็มีพระอรหันเยอะแต่ว่าสมัยนี้ก็คงจะหายากเหมือนกันเพราะไม่ว่าในประเทศจีนหรือว่าในประเทศไทยจะทำธุรกิจกันมากธุรกิจในด้านศาสนาเราเราก็เห็นกันอยู่โจ่งแจ้งากในกรุงเทพหรือเมืองใหญ่ๆมีธุรกิจมีที่ตั้งศกเป็นสิบๆ วันวันหนึ่งไม่ต้องทําอะไรแบกแต่สังฆาตีกันแล้วก็รวยแล้วรวยแล้วนี่ทำธุรกิจกันแต่เราไม่คิดถึงในเรื่องของความว่างเราไม่คิดว่าเราบวชเข้ามาทําไมอาตมาเองนี่ตั้งใจตั้งใจตั้งแต่ออกจากปัจลุบ แต่เมื่อก่อนเราก็ยังไม่รู้จักว่าความว่างคืออะไรยังไม่เคยได้ยินออกจากพัตตลุงไปหาอพระเดชพระคุณท่านอาจารย์พุทธทาต้องการที่จะบวชแต่บวชเพื่ออะไรตามตัวเองว่าบวชเพื่ออะไรบวชเพื่อปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อให้พบพระนิพพานว่าเป็นยังไงความว่างนั่นแหละคือพระนิพพาน เพราะฉะนั้นจุดมุ่งหมายที่อตาตมาตั้งไว้ตั้งแต่แรกก็เดิมตั้งแต่แรกก็เดิมจุดมุ่งหมายนั้นก็สมสมตาม ท, ที่เคยปรารถนาอวายอยนี้มันสมตามที่ได้ตั้งใจอาวา้และก็ได้ทำตามนั้นฉะนั้นเดี๋ยวนี้ก็มาบรรยายให้ท่านทั้งหลายได้ฟังในเรื่องที่ท่านไม่เคยฟัง ให้เราจะต้องศึกษาศึกษาในเรื่องของความว่างศึกษาหนังสือเช่นสู ด, ด้วยหลางงวงโปหนังสือไหนที่อ่านแล้วไม่เข้าใจต้องอ่านอีกอ่านแล้วก็คิดอย่างงวงโปนี่อ่านแล้วก็ต้องคิดอ่านแล้วก็ต้องคิดไม่คิดไม่ได้อย่ายอมแพ้อย่ายมอยายมแพ้ วันนี้คิดได้ทักตัวหนึ่งก็ยังดีนี่ต้องอ่านหนังสือสองเล่มนี้จะต้องผ่านต้องผ่านสายตาเพราะในเรื่องของความว่างมีอยู่ในนั้นมากแต่ทีหลังนี่ก็แปลกันออกมาเยอะแต่ที่แปลจริงๆสู่รวยหลางกับงวงโปนี่คือพระเด่นพระุนท่านอาจารย์พุทธทานท่านเป็นผู้แปล ใช้เวลานานกันในการแปลาการแปลเอาอะไรไปเทียบเคียงก็ เ, เอาการปฏิบัตินี่เลยไปเทียบเคียงเอาความว่างนี่ไปเทียบเคียงว่าอันไหนถูกอันไหนผิดท่านก็จะรู้เพราะจะนั่นผู้ที่ก็พบความว่างโดยเต็มรูปแบบแล้วอะไรถูกอะไรผิดในเรื่องของความว่างในเรื่องของธรรมชาติเขารู้ คือก็จะรู้ทันทีเลยว่าอะไรผิดอะไรถูกอย่างไรพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกเมื่อก่อนแปดสิบเล่มแล้วก็ย่อมาเหลือสี่สิบเล่มท่านอาจารย์บอกว่าต้องเอาออกเยอะทั้งเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเพราะในเจ็ดสิบเปอร์เซ็นนั้นมันมีเนื้อ ง, งอกเยอะแยะหมดนักปราดทั้งหลายเอานั่นใส่เข้าไป เอาวันนี้ใส่เข้าไปใส่เข้าไปเยอะแยะแต่ที่เป็นเนื้อในแท้แท้ไม่ค่อยมีคนสนใจเพราะว่านักปราชลดทีหลังชอบใส่คําที่เป็นไพระเพราะพลิงทีนี่คาของพระพุทธเจ้านะไม่ไพระแต่เต็มด้วยเนื้อหาเต็มด้วยความว่างสเพสังการานิจจา สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงจะเพสังขาราทุกข์ข้าไปยึดมั่นถือมันไม่ได้ข้ายึดมั่นถือมันไม่ได้เป็นทุกข์จับเพธรรมอาอนตาไม่ใช่ตทั้งหลายแปลว่าสิ่งทั้งปวงสิ่งทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนแปลว่าสิ่งทั้งปวงเนี่คือรวบยอดเลยรวบยอดรว่สิ่งทั้งปวง เพราะฉะนั้นสิ่งทั้งพวงไม่เฉพาะแต่ในโลกนี้ถ้ามีโลกอื่นถ้ามีจั ก, กรวาลอื่นก็เรียกว่าสิ่งทั้งพวงเหมือนกันถ้าเราเกิดมาไม่พบพระพุทธศาสนาเมื่อพบพระพุทธศาสนาแล้วพระธรรมนั่นแหละเป็นพระพุทธเจ้าเพราะว่าในองค์ของพระพุทธเจ้าที่เป็นเจ้ากว่าใจสิทัตถะ ายองของพร ะ, ระพระุทธเจ้านั่นแหละมีพระธรรมพระธรรมก็คือความว่างพระพุทธเจ้าก็คือความว่างพระอริยสงฆ์ก็คือความว่างมีแต่ความว่างทั้งนั้นดังนั้นทุกอย่างเป็นพระธรรมหมดเป็นพระธรรมหมดเราว่าอะไรก็เป็นพระธรรมหมดเห็นอะไรก็เป็นพระธรรมหมดเป็นพระธรรมทั้งนั้นในพระธรรมนั่นแหละที่ยอดของพระธรรม คือความว่างทีนี้จะว่าเป็นยอดของวิปัสสนาก็คือความว่างถ้า ย, ยอดของสมถ า, าก็คื อ, อเดียกว่าฌานฌานยอดของฌานก็คือสมถ า, าสมมาสมาธิสมมาสมาธิในอริยมรรคไม่องค์ดสมมาสมาธิ ก้อนหนึ่งสัมมาทิฏฐิก็ทองสัมมาฉั่งกับโกก็ที่สามสัมมาวาจาก็ที่สี่สัมมากรรมโตก็ที่ห้าสัมมาจีโวข้อที่หกสัมมาวาญโมก็ที่เจ็ดสัมมาสติก็ที่แปดสุดท้ายสมาสมาธิสัมมาสมาธิยอดของการทำสมาธิคือการทำสมาธาก็คือฌาน จานแล้วานก็มีตั้งแปดแบ่งข่ายละี่รูปประชานสี่อารูปประจานสีงเรียกว่าชานแปดานแปดดังนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ต้องผ่านผ่านสิ่งนี้ไปก่อนคือผ่านสมถะผ่านยอดสมถะครูทั้งสอง อุตตกาดาบทอาราณดาบทพอท่านไปศึกษาจบฌานรูปฌานก็กราบพระพุทธเจ้าตอนนั้นยังไม่เป็นยังเป็นนักศึกษาอยู่เอาว่าไม่ต้องไปที่อื่นแล้วอยู่ที่นี้จะได้ช่วยเป็นครูสอนพระพุทธเจ้าสั่งหัวไม่ใช่ บอกว่าไม่ใช่ยังไม่ใช่เอาไปหาอาจารย์หม่อยยีกอาจารย์ใหม่ไปขึ้นอรูปฌปานออไปขึ้นอรูปฌานก็จบอีกในสัญญาณนะสัญญาญาตนะทีนี้ครูก็บอกว่าไม่ต้องไปไหนแล้วช่วยสอนอยู่ที่นี้มันจบสูตรแล้วจบสูตรแล้ว พระพุทธเจ้าก็บอกว่าไม่ใช่เพราะฉะนั้นสมถะยอดของสมถะก็คือฌานทีนี้ฌานสัมมาญานคือสมถะสิบสมถะสมถะสิบเกิดสัมมาญานนีวก็สัมมาวิมุตติสัมมาวิมุตตินี่สัมมาญานหรือสัมมาวิมุตติเกิดสัมมาญาณนี่ แรียกว่ามีความเห็นอันถูกต้องหรือมีปัญญาอันถูกต้องเมื่อมีปัญญาถูกต้องต่อไปก็สัมมาวิมุตติสัมมาวิมุตติก็หลุดพ้นหลุดพ้นจากสิ่งสมมติต่างๆหลุดพ้นจากศาสานจากพลังงานจากตัวกูจากของกูหลุดพ้นออกไปหมดจิตอยู่เนื้อทีนี้คือจิตว่าง จิตว่างจะอยู่เนื้ออยู่เนื้อจิตจิตว่างอยู่เนื้อจิตโง่จิตโง่มันมาก่อนทำยังไงจิตว่างอยู่เนื้อจิตโง่ที่นี่พื้นฐานของญาณก็คือฌานนั่นเองคือฌานพูดให้ฟังบ้างแล้วเพราะฌานนะแปลว่าอ่ากินจัญญายตนะในอรูปฌาน ได้ว่าว่างได้ว่าว่างได้ว่าว่างบางส่วนว่างเซมเปิลว่างตัวอย่างาให้ได้ว่างตัวอย่างนั้นในอากินจัญญายตนาจาั์นแหละก็พระพุทธเจ้าก็ไปปรับทีนี้ปรับว่ามันจะต้องมีมากกว่านี้มันต้องมีมากกว่านี้แล้วมีมากกว่านี้พระองค์ก็ไปต่อยอดต่อยอด จนพบความว่างเหมือนกับพระจันทร์เต็มดวงมันพระจันทร์เต็มดวงอย่าง น, นพบความวาม่างพระจันทร์เต็มดวงที่อยู่ในจิตในใจของเราถ้าเราว่างโดยเด็ดขาดก็เหมือนกับพระจันทร์ไปลอยเด่นอยู่ในจิตในใจนี่ทีนี้ถ้ า, าว่าไม่มีพระจันทร์มันก็มืดในใจนั้นก็มืดมืดด้วย ราคะโลภโธสะโมหะมันฟังปกกุมไปหมดมันก็มืดทำห้มืดทีนี้ถ้าหกว่าเราปฏิบัติให้พบความว่างไปเรื่อยๆดับหมดว่างหมดดับหมดว่างหมดดับหมดว่างหมดการภาวนาเราต้องขยืบไปเป็นขั้นตอนดับหมด ราโชดาบัดับไม่หมดราศกิทากามีพระนากามีดับไม่หมดพระอรหันต้องดับหมดถ้าดับหมดเนีน่นั้นคือว่างหมดดับหมดว่างหมดเนี่ยมันดับไปเป็นขั้นเป็นตอนงั้นอยู่ที่ว่าเราจะต้องปฏิบัติได้จริงเมื่อเราปฏิบัติจริงมันก็จะต้องดับหมดวันหนึ่งวันหนึ่งมันจะต้องดับหมด ว่าที่ชีวิตนี้มันจะหมดลหมหายใจมันต้องดับหมดก่อนพอดับหมดแล้วก็ว่างหมดพอว่างหมดแล้วก็ไม่มีคนตายไม่มีคนเกิดไม่มีคนแก่ไม่มีคนเจ็บเพราะมันดับหมดว่างหมดความรู้สึกไม่ใช่กูอย่างเด็ดขาดนี่เราสังเกตดูว่าวันวันหนึ่ง มันมีความรู้สึกว่ากูมากกว่าความรู้สึกว่าไม่ใช่กูความรู้สึกว่ากูเดินว่ากูยืนว่ากูนั่งว่ากูกินว่ากูอาบว่ากูถ่ายว่ากูคิดว่ากูทาว่ากูพูดมันยังมีกูมากกว่าถ้ามันยังมีกูมากกว่าต้องพยายามต้องพยายามให้เกิดความรู้สึก ความรู้สึกว่าไม่ใช่กูให้มากขึ้นให้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเช่น <me S 1> เราเดินจากนี้ไปที่พักเราก็เดินด้วยการกําหนดว่าความรู้สึกไม่ใช<น>่กูล <Pac> ุกขึ้นนั่งความรู้สึกไม่ใช่กูลุกขึ้นเดินความรู้สึกไม่ใช่กูแต่ละก้าวย่างความรู้สึกไม่ใช่กู กินข้าวในห้องน้ำความรู้สึกไม่ใช่กูสิ่งที่ถายออกมาก็ความรู้สึกนั้นไม่ใช่ของกูกลิ่นอะไรต่ออะไรก็ความรู้สึกที่มันเปลี่ยนแปลงมันไม่ใช่กูทั้งนั้นเรี่ยว่าต้องให้มันชิดชิดกันปฏิบัติให้มันชิดกันจนมันชนะพอมันชนะแล้วทีหลังก็สบายมันสบายถ้าชนะศัะตรูแล้วก็จัสบาย แต่เดี๋ยวนี้ศัตรูมันบุกเราเราไม่รู้เพราะความเคยชินความเคยชินของเราความเคยชินของตัวกูมันมีตัวกูอยู่เรื่อยตัวกูที่สะสมที่เป็นนิสัยมาตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่แบบอกอะไรก็กูทั้งนั้นมีแต่กูทั้งนั้น กว่าจะได้มาเข้าวัดนี่กูไม่รู้เป็นกี่ล้านกูเสร็จแล้วต้องมาล้างกูนี่ออกไปล้างความรู้สึกว่ากูนี่ออกไปด้วยการภาวนาว่าความรู้สึกความรู้สึกนี้ไม่ใช่กูคิดขึ้นมาก็ไม่ใช่กูทำอะไรไปก็ไม่ใช่กูมันก็ไม่เห็นแก่ตัวพูดอะไรออกไปก็ไม่ใช่กู นี่ที่นั่งพูดอยู่นี้ก็ไม่ใช่กูพูดมันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติที่มันกลั่นกรองกลงักล่นกรองมาจากการปฏิบัติเาว่าปฏิบัติแล้วก็เห็นความไม่ใช่กูแล้วก็มาบอกญาติโยมว่านี่ไม่ใช่กูอย่างนี้ความรู้สึกไม่ใช่กูอย่างนี้นี่วัยนี้คือเรายังมีตายังไม่ตายกันแค่กลางคัน เรายัางมีโอกาสเยอะที่จะได้ปฏิบัติประการที่หนึ่งคือคนนี้ก็แบ่งแบ่งเป็นระดับพรหมจารีพรหมจารีคือคนที่ไม่แต่งงานเรียกว่าพรหมจารีไม่แต่งงานทีนี้ถ้าคนนั้นไม่แต่งงานจนตายก็เป็นพรหมจารีจนตายเป็นคนที่บริสุทธิ์ยังบริสุทธิ์อยู่ ที่นี่ถ้าหาว่าเขาปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมไปไปพบความว่างนั่นเรียกว่าเป็นพรหมจารีทั้งร่างกายเป็นพรหมจารีทั้ง จ, จิตใจไม่ว่าผู้หญิงไม่ว่าผู้หญิงไม่ว่าผู้ชายเขาเรียกว่าพรหมจารีที่นี่ถ้าแต่งงานแล้วต้องรับผิดชอบสามีภรรยา รับผิดชอบลูกรับผิดชอบหน้าที่การงานรับผิดชอบทรัพสมบัติมีเรื่องมากนั่นก็เรียกว่าคลือหัดเรียกว่าคารือหัดทีนี้พออยู่เป็นคารือหัดนานเก้านานเก้านานเก้ามันก็จักเบือ่อจักเบื่อก็โดยหาที่ว่างๆเหมือนเหมือนที่เรามาวัดอย่างนี้ก็เรียกว่าวันนับรัด วนอัประรัตวันอปรรัตนีวั น, ว น, นี่ เ, เรลว่าป่าข้าหาป่าแล้วข้าหาป่าเจ้าที่สงบสงบแล้วข้าหาป่าข้าวหาภูเขาข้าวหาธร้ำข้ามหาวัดที่สงบสงบอย่างนี้ก็เรียกว่าวันอประรัตวันอัประรัตคือถึงวัยไม่ใจรอให้ผมงอกให้ฟันหลุดก่อนจึงจะเป็นวันอประรัต อันนั้นไม่จําเป็นมันอยู่ที่ความรู้สึกแต่เรามีความรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เราต้องการที่สงบสงบเพื่อที่จะไปปฏิบตัติฉะนั้นเราต้องเลือกวัดที่เราจะไปปฏิบตัติเราต้องเลือกไม่ใช่ไปนั่งบนตึกสิบปดชั้นนั่งบนตึกสิบแปชั้นเสร็จแล้วก็ไปนั่งสมาธิมันก็เปเป็นสมาธิเหมือนกัน แต่มันไม่เหมือนกับเรามาอยู่ในถ้ำไม่เหมือนกับอยู่ในป่ามันอยู่ในตึกมันติดแอแต่มันมีแต่ของปลอมทางนั้นของปลอมทางนั้นที่นี่มันไม่ใช่ธรรมชาติแท้แต่เรามาอยู่ในป่ามันเป็นธรรมชาติแท้ทีนี้ถ้าเรามีบริเวณบ้านที่พอสมควรหลังบ้านหรือไม่ในบริเวณบ้าน เราก็ปลูกต้นไม้หลังบ้านมีต้นไม้หลังบ้านของคนสมัยก่อนน่ยก็จะมีสวนมีสวนกล้วยมีสวนจำพูมีสวนอะไรก็มีเคร่มีแคร่โอ้นั่งนั่งสงบสงบอยู่ในบ้านมีลูกมีหลานมีอะไรต่ออะไรมากมายก็ออกไปนอกบ้าน ก็จะทำให้จิตมันสงบลงสงบลงสงบลงนี่เรียก ว, ว่ามันวิ่งเข้าอาปาแล้วโดยอัตโนมัติวิ่งเข้าอาปาพอวิ่งเข้าอาปาแล้วต่อไปมันเอาจิงแล้วอจริงก็เลยมาปฏิบัติเหมือนกับในสมัยนี้เราก็วิ่งหาสานักปฏิบัติกันหาผิดหาถูก ม, มันอยู่ที่ตาดีตาบอด้าตาบอดก็ไปหา ไปหาที่ผิดๆถ้าตาดีก็คือมีสติปัญญารู้คิดรู้นึกรู้พิจารณาาเสร็จแล้วก็ไปพบดีๆไปพบที่ดีๆงั้นเดียววันนัวันนับวันนปรวนปรันนับทีนี้เมื่อเราปฏิบัติเอาจริงเอาจังเอาจริงเอาจังเอาจริงเอาจั ง, จ ง, จงว่าปฏิบัติเอาจริงเอาจั ง, จ, งจนถึงจุดมุ่งหมายไม่ต้องจบถึงที่สุด ถึงจุดมุ่งหมายาเช่นเช่นว่าเราเริ่มที่จะเห็นธรรมนี่ว่าเป็นพระโสดาบันก็ได้คือข้ากระเสพ้าวกระแสะนี่มันเริ่มที่จะแยกแล้วแยกระหว่างคนธรรมดาแยกระหว่างคนที่ปฏิบัติธรรมนี่มันจะแยกแล้วแยกแล้วคือมันจะเห็นความว่างเริ่มที่จะเห็นความว่าง ทนี้พอเริ่มที่จะเห็นความว่างมันก็สามารถที่จะอธิบายให้เพื่อนฟังได้ให้เพื่อนฟังได้ตามความสามารถที่ตัวเองทําได้แล้วมันก็ขยืดขึ้นไปเรื่อยๆขยืดขึ้นไปเรื่อยๆตอนแรกก็เป็นพระโสดาบันหนักแน่นในพระพุทธเจ้าหนักแน่นในพระธรรมหนักแน่นในประสง์หนักแน่นในพระพุทธเจ้าที่ว่างจากตัวตน ไม่ใช่เจ้ากวาใจจิตตถาพระพุทธเจ้าที่ว่างจากตัวตนประธรรมคือความว่างความว่างจากตัวตนพระริยสงคือผู้ปฏิบัติก็ถึงความว่างตามในของท่านตามความสามารถของท่านแล้วเราก็สามารถที่จะช่วยเพื่อนแนะนำเพื่อนช่วยตรูงเพื่อนได้ตามความสามารถที่ทำได้ ไม่ต้องรอให้เป็นพระอรหันต์อยู่อันนี้ก็ทําไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆปโสดาบันละสักกายทิฏฐิวิจิกิจ่าความลังเลใจแล้วก็ศีลรัปตาปรามาตยละสามตัวละสามตัวนั้นเราก็อย่ายึดมั่นถือมัน่นในสักกายทิฏฐิคือความเห็นว่าตัวกูความเห็นว่าตัวกูนี่อย่างมันหนักให้มันเบาลงไปหน่อย กัจโฎดาบันเลี้ยวก้าหากระแสของพระนิพพานพอเลี้ยวก็หากระแสของพระนิพพานก็เห็นว่าไอ้ตัวกูนี่มันไม่มีมันมีแต่ธาตุสี่มีแต่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมีแต่ธา 4, ตุสีหรือว่าธาตุหกหรือว่าธาตุสิบแปดมันมีแต่ธาตุมีแต่ธาตุไม่มีกูที่นั่งกันอยู่ที่ตรงนี้มันไม่มีกู มีแต่ธาตุที่มันตั้งอยู่เป็นกองเป็นกองเป็นกองถ้าผลไม้ที่ทานเข้าไปข้าวที่ทานเข้าไปมันไม่ย่อยมันก็ตั้งอยู่เป็นกองเป็นกองเป็นกองเป็นกองเนี่ยมันเป็นกองแต่นี้เพราะมันไปเปลี่ยนพอไปเปลี่ยนมาเป็นเนื้อมันเป็นหนังมาเป็นมันมาเป็นลำไส้มาเป็นสมองมาเป็นผมมาเป็นขนมาเป็นกระดูกมาเป็นอะไร มันก็ได้มาจากธาตุได้มาจากธาตุทั้งนั้นแล้วมันก็ยิ่งเห็นยิ่งเห็นยิ่งเห็นทีนี้ธาตุต่างๆมันก็เป็นอนิจจังงันก็เป็นอนัตตาเป็นสุญญตามันว่างจากตัวตนเห็นเป็นธาตุว่างนี่เดี๋ยวเห็นเป็นธาตุว่างไปนี่ให้หนักแน่นให้มีความหนักแน่นสกยาติติอย่าเห็นว่าตัวกูอย่าเห็นว่ามันเป็นตัวกู เราเดินเรานั่งเรานอนอใหญ่แน่วเป็นตัวกูให้มีความรู้สึกว่าไม่ใช่กูอยู่ด้วยความรู้สึกให้ประทับใจประทับใจอยู่ในนั้นความรู้สึกว่าไม่ใช่กูความรู้สึกว่าไม่ใช่กูความรู้สึกว่าไม่ใช่กูนี่ให้มันอยู่อย่างนั้นเมื่อไม่ใช่กูคนที่ไม่เคยฟังพวกฟังแล้วก็เถียงเลยไม่ใช่กูแล้วมันใครเนี่ยนี่ก็เลยไม่ ไม่ก็อยากจะอยากตอบคนประเภทนั้นเราเป็นคนหัวดือ้อตัวกูมันมากตัวกูมันแข็งเห็นนักเรียนคนหนึ่งที่หลวงพ่อสอนมาให้แผ่นซีดีเข้าไปไปฟังเรื่องความว่างนานแล้วเขาว่ามันว่างยังไงมันยังมีกูอยู่ก็เลยไม่ตอบจนทุกวันนี้ปล่อยก็โง่อยู่อย่างนั้น ้ก็โง่อยู่นี่มันเป็นปุตุชนเต็มขัน้นแล้วเกินขัน้นมันเกินขัน้นก็เลยต้องปล่อยเพราะฉะนั้นสกญาณติทิความเห็นว่าตัวกูนี่อย่ามันแรงเกินไปพยายามให้เบาลงเบาลงเบาลงขูดกราให้เบาลงเบาลงเบาลงสกญาณติ ท, ทีนั่งแล้วก็พิจารณาพิจารณาว่าโอ้นี่้กองนี่เป็นข้าว กองนี้เป็นข้าวกองนี้เป็นกลับเป็นปลาเป็นเนื้อกองนี้เป็นผักกองนี้เป็นผลไม้เมื่อวานก็ยอมทำพรเพื่เลี้ยงกุ้งไม่ใช่ก็เลี้ยงกุ้งคือก็ทําอาหารกุ้งให้ฉันทีนี้เราก็ว่ากุ้งนี่มันก็มาตั้งอยู่กองหนึ่ง ผากก็ตั้งอยู่กองหนึ่งข้าวก็ตั้งอยู่กองหนึ่งน้ำก็ตั้งอยู่กองหนึ่งในตัวเราเนี่ยมันเป็นกองเป็นกองเป็นกองแต่มันไปย่อยก็ไปย่อยแ้วก็มองไม่เห็นมองไม่เห็นเพราะมันเป็นเนื้อเป็นหนังไปเป็นอะไรไปแค่เป็นกากมันก็ออกไปตามที่จริงมันก็ออกไปเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บฟันหนังเป็นเส้นเอ็นเป็นไขมันเป็นอะไร ที่มันออกไปที่มันมันเปลี่ยนไปนี่คือมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนพอกข้าไปแล้วธรรมชาติก็เหมือนกัรโรงงานออกป้อนเข้าไปแล้วมันก็ทำหน้าที่ทำหน้าที่เปลี่ยนแปลงเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในร่างกายนี้่การศึกษาร่างกายก็คือศึกษาการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงของธาตุของธาตุต่าง ว่าถ้าต่างๆมันเป็นอย่างนี้นี่มันเป็นอย่างนี้แล้วมันออกมาเป็นอย่างนี้เนื้อวันนี้ไม่ใช่เนื้อเมื่อหวานไม่ใช่เนื้อเมื่อหวา น, นเนื้อเมื่อหวานมันมันออกไปเป็นเนื้อเป็นใครหมดแล้ววันนี้มันก็คงมีเศษเสี่ยวที่มันเหลืออยู่บ้างแล้วมันก็พ่อขึ้นมาใหม่กระดูกก็ทําหน้าที่ในการผลิตในการผลิตอะไรในการ ผลิตไอ้เม็ดเลือดเมแต่เลยมันก็ไปตามเรื่องตามธรรมชาติของมันธรรมชาติวิทยาศาสตร์ก็จะค้นพบหรือไม่พบแต่ว่าธรรมชาติมันเป็นไปแล้วมันเป็นไปอย่างนั้นธรรมชาติมันเป็นไปอย่างนั้นนี่คือให้เรามองเห็นว่าสัจยาติที่ไม่ใช่กายกู้ให้เห็นร่างกายว่าไม่ใช่กายกู้ มันรวมกันอยู่เป็นกลุ่มเราก็เรียกว่ากายเรียกว่ากายรวมกันผมขนเล็บก้นันหนังเนื้อเอ็นกระดูก็ให้มันอะไรต่ออะไรรวมกันเป็นกลุ่มพอเป็นกลุ่มเราเรียกว่าร่างกายร่างกายนี่คือธรรมชาติก็จัดสรรมาเรียบร้อยธรรมชาติจัดสรรมาเรียบร้อยเราต้องจัดสรรใหม่ใช้สติปัญญาที่ได้มาจากพระพุทธเจ้า ได้มาจากพระอริยสงฆ์เรามาวิจัยกันเสียใหม่วิจัยกับอ้อนี่มันไม่ใช่กูนิสักญาติที่ความเห็นว่าร่างกายเป็นของกูเมื่อก่อนวันนี้มันไม่ใช่กูแล้วมันไม่ใช่กูแล้วมันเป็นธรรมชาติแต่ยังไงเราก็ต้องคืนธรรมชาติต้องคืนให้วันอย่างคาเพราะฉะนั้นสักญาติที่ร่างกายที่เป็นกูนี้ เราคือห้ธรรมชาติก่อนก่อนที่เราจะผ่อนส่งเราให้ทีเดียวหลุดไปเลยเหมือนกับเราเป็นหนี้ของไม่ใช่เป็นหนี้คนล้านหนึ่งค่อยๆให้ทีละสองหมื่นสามมื่นทีละแสนเรามีทุนด้วยการปฏิบัติเรวก็ให้ไปทีเดียวหนึ่งล้านเลยพอให้ไปทีเดียวหนึ่งล้านหลุดหมดเลยหลุดหมด เป็นน้นว่าไม่ต้องตายแลย้วสักยะทิฏฐิหมดไปกูไม่ต้องตายแลย้วไม่มีสักยทิฏฐิแล้วกูไม่ต้องตายกูไม่ต้องตายคือให้ไปทีเดียวหมดหลุดเดีว่านหลุดว่างเดี๋ยหลุดแล้วกวก ว, กว่างว่างเลยอย่าง น, นั่นคือเรื่องของของสักยะทิฐิที่สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปสูงขึ้นไป จากสกยติติกกนู mind, the the ่นไปถึงพระอรหันโนนถ้าหลุดหมดก็เป็นพระอรหันพอเป็นพระอรหันเนื้อความเกิดเกิดความรู้สึกขึ้นมาก็ไม่ใช่กูเกิดความรู้สึกว่ากูก็ไม่ใช่กูความรู้สึกว่าแกก็ไม่ใช่กูความรู้สึกว่าเจ็บก็ไม่ใช่กูความรู้สึกว่าตายก็ไม่ใช่กูเพราะให้ไปหมดแล้วนี่ความรู้สึกนั้นให้ไปหมดแล้ว ความรู้สึกว่าเกิดความรู้สึกไม่ใช่กูแล้วความรู้สึกว่าแก่ว่าเจ็บว่าตายเป็นเรื่องเล็กแล้วแต่เรื่องใหญ่มันอยู่ที่ความรู้สึกว่ากูทีนี้ถอนความรู้สึกว่ากูนั้นออกไปถอนความรู้สึกว่ากูออกไปความแก่ความเจ็บความตายมันเป็นเพียงแต่สภาวะหรือสภาพอย่างหนึ่งที่มันเป็นธรรมชาติที่มันเป็นธรรมชาติที่มันเป็นอย่างนั้น กับทุกสิ่งทุกอย่างไม่เป็นเฉพาะแต่เรากับคนอื่นก็เป็นกับสัตว์อื่นก็เป็นกับต้นไม้อื่นก็เป็นกับสิ่งอื่นก็เป็นมันเป็นอย่างนั้นทั้งนั้นนี่คือสภาพธรรมชาติที่มันเป็นเช่นนั้นมันเองมันเป็นอย่างนั้นพิจิกิจฉาความรังเลใจความรังเลใจในพระพุทธเจ้าความรังเลใจในประธรรมความลังเลใจในป ร, ร, ร, ระสง อย่าไปนั่งว่าพุทธโธแล้วมาเห็นพระพุทธเจ้าไปเห็นท่านทำไหมต้องเห็นพระพุทธเจ้าคือเห็นธรรมเห็นธรรมที่อยู่ภายในของพระองค์พระองค์ก็ตรัสกับพระวกคัลิว่าดูก่อนวะกคัลิผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมวะกคัลิตอนนั้นกําลังหลงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไปไหนก็ไปนั้นพระพุทธเจ้าไปไหนก็ไปนั้น ไปนั่งบรรยายธรรมไปนั่งเทศที่ตรงไหนก็ไปนั่งมองมองพระพุทธเจ้ามองเหมือนกับน่มที่กำลังติดสาวอยู่อย่างนั้นมองอยู่อย่างนั้นทีนี้เป็นยังไงพอได้โอกาสเอพระพุทธเจ้าก็ต้องรอรอให้บรารมีของวักะลิเต็มก่อนจอให้บรารมีเต็มก่อนพอบรารมีเต็มก็โดยตรัสกับวกักะลิว่าดูก่อนวกกะลิ ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทเพราะฉะนั้นปฏิจจสมุปบาทนี่คือเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่เราจะต้องเข้าใจและต้องปฏิบัติให้ได้ต้องเห็นได้ได้ปฏิบัติการปฏิบัติตามปฏิจจสมุปบาท ตั้งแต่อวิชชาถึงจาติาติโสกปาิเทวะทุกะโทมานัตเจอุปายาตนั่นมันสายนั้นเรียกว่าสายยาวทีนี้ถ้าเราไปตัดตอนที่นามารูปตัดตอนที่นามารูปถ้าไปตัดตอนที่นามารูปได้ต่อไปเมื่อมันก้าวใจก้าวใจแล้วมันก็ค่ยอยขยืดขึ้นข้างบนเอง เพราะอาวิชฌามันบรรจุอยู่ในทุกอย่างบรรจุอยู่ในสังขารบรรจุอยู่ในวิญญาณบรรจุอยู่ในนามรูปใจอาญตนะในปัจจาในเวทนาในตถาอุปาทานภพชาติบรรจุอยู่ในนั้นทางนั้นทีนี้ถ้าเราตัดตอนที่นามรูปก็ทําให้ง่ายขึ้นแต่ทีหลังก็ไม่ยากไม่ยากพาขึ้นข้างบน จากนามรูปก็เป็นวิญญาณจากวิญญาณก็เป็นสังขารจากสังขารก็เป็นอวิชชาจากอวิชชาก็เป็นว่างว่างหมดนีดับหมดเรียกว่าดับหมดอวิชชาดับสังขารดับวิญญาณดับนามรูปดับชรายาตนาดับปัจจาดับเวทนาดับตัณหาดับอุปัตานดับ โคดับชาติดับจรามรณะโศกาปริเทวาทุกตัวมนัสสะอุปยาตดับอย่างนี้เรียกว่าดับหมดดับหมดดับโดยไม่เหลือดับโดยไม่เหลือพอดับหมดมันก็จะว่างหมดดับหมดว่างหมดดับเรียกว่านิโรดนิโรธทุกตัวมันจะมีนิโรธอยู่ใงนั้นอวิชายะตะเววาเสจาวิราคนิโรธา นิโรธาเนีคือดับสังขาระนิโรธสังขาระนิโรธาวิญญาณะนิโรธวิญญาณนิโรธาเอ่มันจะดับเพราะอันนั้น um, ดับอันนี้จ oui, ึงดับเพราะอันนั้นดับอันนี้จึงดับเพราะอันนั้นดับอันนี้จึงดับเพราะอวิชชาดับสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณ์จึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับสลายตนัจึงดับ เพราะสรายตนณาดับปัสสาวะจึงดับเพราะปัสสาะดับเวทนาจึงดับเพราะเวทนาดับตัณหาจึงดับเพราะตัณหาดับอุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับภพจึงดับเพราะภพดับชจ้าจึงดับเพราะเจ้าดับธามรณะโศกาวริเทวะทุกขโทมนัสสาจึงดับนี่เรียกว่าดับดับหมดมาติดจตุมูบบาทขวอยเกิดขวายเกิดทุ๊กมันดับหมด ตอนนี้มันดับหมดถ้าดับหมดจะเป็นพระอรหันต์ถ้าดับไม่หมดก็ยังเป็นผู้ที่รองๆองลงมาแค่นั้นพระโสดาบันพระโสดาบันและสกยาทิฏฐิแกก็เห็นปฏิจจารมุปบาทเหมือนกันแต่เห็นว่าวับแหวงแหวงยังไม่เห็นตลอดแค่เห็นที่เวทนาเห็นที่ปัสสาอะไรอย่างนี้ แล้วก็พยายามพยายามไ ต, ต่ต้าไต่ต้าให้เห็นให้เห็นให้เพิ่มขึ้นให้เห็นให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นให้เข้าใจได้ให้มากขึ้นให้วก็เห็นเห็นภายหนอย่อยให้เห็นภายหนอย่อเห็นทุกตัวให้มีตัวไหนที่ย่อย่อนกว่ากันจะต้องเห็นทุกตัวเราเห็นอย่างนั้นเรียกว่าจนเห็น ว่าในพระทยของพระพุทธเจ้ามีแต่ปฏิจจสมุปบาทมีแต่ความว่างมีแต่ความบริสุทธิ์ที่เรียกว่าพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณพระมหากรุณาธิคุณคือปัญญาที่บริสุทธิ์ปัญญาที่บริสุทธิ์คือปัญญาที่ว่างว่างถึงที่สุด เรียว่าพระปัญญาคุณพระปัญญาคุณพระปัญญานั้นบริสุทธิ์บริสุทธิ์พระปัญญานั้นไม่ไดเอามาทำธุรกิจพระองค์มีปัญญาที่บริสุทธิ์จริงๆและก็เป็นพระพุทธเจ้าแลาพระองค์ก็มีพระเมตตาคุณพระเมตตาคุณช่วยเหลือสัพพสัตว์ถ้าใครมีความต้องการก็ได้หมด เรียกว่าช่วยเหลือสรรพสัตว์เรียกว่าพระเมตตาคุณหรือพระมหาการุณาธิคุณนี่คุณของพระพุทธเจ้าก็มาจากความว่างเมื่อจิตของพระองค์เต็มความว่างแล้วก็มีคุณทั้งสามนี้คือพอเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมากรมคุณทั้งสามนี้นี่เรียก ว, ว่าข้าวถึงข้าวถึงพระองค์ข้าวถึงธรรมชาติ ถ้าถึงภายในของธรรมชาติทุกอย่างอย่างนั้นนี่เป็นอย่างนี้ทีนี้พระพุทธเจ้าตัวจริงก็คือความว่างนั่นแหละคือความว่างนั่นคือความว่างอาตมาตั้งว่าก้อขึ้นมาว่าพรหมจารี์ก้อสองก้อขลหัดข้อที่สามวณปวปะรวณัปปะรดเข้าป่า ก้าวป่าก้าวดงก้าวหาธรรมชาติวนอประดัพข้อที่สี่คือสัญญาสีสัญญาสีนี่เรีกว่าแจกของจองตะเกียงแล้วแจกของสองตะเกียงคือแจกอะไรแจกความว่างแจกสุญญาตาแจกธรรมะแจกความว่างแจกความว่างทีนี้ที่ไหนที่มันมืด เราตะเกียงไปส่งอ้ายเอาตะเกียงไปส่ ง, งอา้ยงงงายให้ก้สว่างให้ตะเกียงนั่นข้าวไปอยู่ในจิตในใจของก่อแจกของส่องตะเกียงเพดังนั้นถ้าหาว่าเราปฏิบัติสําเร็จกิจก็ไม่ต้องทําอย่างอื่นในะยนี่แจกของส่องตะเกียงอย่างเดียวให้มันอดตายก็ช่างหัวมันไม่เป็นไรมีหน้าที่ในการที่จะแจกของส่องตะเกียง ไม่ต้องไปทำามากินไม่ต้องไปทำธุรกิจไม่ต้องไปทำอะไรแจกของช่วงตะเกียงอย่างเดียวถ้ามันก็มาเองคนก็ช่วยเหลือเองคนช่วยเหลือมีเยอะแยะถ้าเขาไม่ช่วยก็ตายแต่ก็ดีเหมือนกันไม่เป็นไรแต่ว่ายังมีประโยชน์คือสัญญาสีนะสัญญาสีเมื่อก่อนมันเป็นเหมือนกับว่า ต้นไม้ต้นหนึ่งพอถึงฤดูเนี่ยมันก็ใบมันร่วงใบร่วงหมดทีนี้ไอ้ใบเก่าหรืไอ้ใบตัวกูใบตัวกูมันร่วงหมดเนี่ยเป็นต้นไม้ต้นใหม่แล้วมันผลิดดอกออกใบใหม่ผลิดอกออกใบใหม่อกออกใใหมนี่เรียกว่าเป็นพระอริยบุคคล ชั้นสูงสุดชั้นสูงสุดหรือว่าถ้ายังดับไม่หมดดับไม่หมดมันก็ยังมีอะไรที่ตกค้างอยู่ีทีนี้ไปต่างประเทศคือคนที่ไปต่างประเทศเขาคงจะไม่ค่อยสังเกตเท่าไหร่ไปต่างประเทศแถวยุโรปนั้นถ้าไปฤดูหนาวหรือว่าฤดูใบไม้ร่วงมันก็ร่วงหมดทั้งป่า มันบ้านเราแต่ทางปากใต้ไม่ร่วงมันไม่ร่วงมันเปลี่ยนกันอยู่อย่างนั้นภาคเหนือภาคอีสานมันร่วงในตาต่างประเทศแต่ยุโรปมันร่วงเหมือนกันหมดก่อนที่จะร่วงมันก็แดงแดงหมดทั้งปาแดงหมดทั้งปาแล้วมันร่วงพอร่วงแล้วถึงดูดูใบไม้ปรีอย่างมันปรี มันรีบเลยรีบปรีออกมารีบปรีออกมาแล้วไม่ใจออกแต่ยอดออกทั้งใบทั้งยอดทั้งดอกพร้อมกันหมดออกมาพร้อมหมดเลยทั้งดอกทั้งอะไรพร้อมกันเลยมันต้องรีบรีบรีบทั้งนั้นมันรีบทั้งไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะไม่ทันมันจะไม่ทันมันจะไม่ทันฤดูจะฤดูอื่นมันจะมาอีกไม่ได้ มันก็ต้องรีบรีบรีบรีบรีบรีบทีนี้สัญญาตสีนะปรีดอกออกใบใหม่ออกผลใหม่แล้วก็แจกผลแจกผลให้คนทั่วไปใครที่สนใจก็ได้ไปคนที่ไม่สนใจก็เอาไปติ้งมีภาพที่สวนโมกที่แจกดวงตาภาพแจกดวงตา ที่ทำกมเสษแจกดวงตาแจกดวงตาก็คือแจกปัญญาแจกปัญญานั่นคือสัญญาสีสัญญาสีแจกของจองตะเกียงเพราะฉะนั้นเราทุกคนก็แจกของจองตะเกียงน้อยๆไปก่อนต่อไป ก, ก็แจกเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนถึงที่สุดก็ไม่ต้องทำอะไรแนละ้วแจกของจองตะเกียงอย่างเดียว แจกของส่งต ะ, ตะเกียงอย่างเดียวไม่ต้องทําอย่างอื่นแล้วไม่ต้องทํามาหากินก็ เ, เอาไมา้กินเองถึงเวล า, าก็เอาไมา้กินเองก็ เ, เห็นว่าเป็นประโยชน์เราไม่ต้องกลัวนั่นคือทําหน้าที่ให้จนถึงที่สุดคือแจกของส่งตะเกียงก็คือแจกความว่างแจกความว่างคนนี้จะให้ความว่างขนาดไหนคนนี้จะให้ความว่างขนาดไหน เอาไปวิจัยกันเอาเองแล้วเอาไปปฏิบัติเองเหมือนกับแจกแอ้เมล็ดไงของผ ล, ลไม้นี่ต้องเอาไปปลูกอย่างนั้นนะต้องรดน้ําอย่างนั้นต้องคลวนดินอย่างนั้นต้องใส่ปุ๋ยอย่างนั้นแล้วก็คอยดูแลนะนี่คอยดูแลนี่คือแจกแจกมเมล็ดพันธุ์แจกมเมล็ดพันธุ์พืชคือพืชสนญญาตาแจก มเมล็ดสุญญาตาให้เหมือนกับลุงเช้าของวันนี้ ล, ลองพ่อก็มาแจกแจกพืชเมล็ดพันธุ์สุญญาตาให้เราไปปลูกไปเพาะไปหว่านเอาเองดูแลกันเองอะไรเองนี่มันก็ไม่เสียทีที่เราเกิดมาเป็นคนให้ยกระดับให้เป็นมนุษย์ ในต่อไปเราก็จะได้เป็นยอดเป็นยอดของมนุษย์คนหนึ่ง ย, ยอดของมนุษย์ก็คืออยู่เหนือกิเลสไม่ใช่ยอดว่ารวยที่สุดสวยที่สุดอะไรที่สุดมันไม่ใช่ยอดอย่างนั้นยอดที่ว่ามันไม่มีทุกข์เราเกิดมาชาติหนึ่งเีาก็ปล่อยวางทุกข์ได้หมดเป็นคนไม่มีความทุกข์แล้วก็ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ไม่ให้มีความทุกข์ด้วย อย่างนี้เลยพวกคุ้มคุ้มมันคุ้มเกินคุ้มที่เราเกิดมานี่คะนั้นทุกคนให้ตั้งใจในการปฏิบัติให้มากๆเวลาของการบรรยายก็เห็นว่าพอสมควรขอยุติการบรรยายในชานี้เอาไว้แต่เพียงเท่านี้ธรรมาติ